จิตบอกตัวเองอย่างหนึ่งว่าถ้าใจเราไม่มีโทสะแต่มีสติสัมปชัญญะดีขณะเจรจาน้ำเสียงก็จะราบเรียบคลื่อนจิตที่ลอยไปกระทบคู่สนทนาก็เงียบสงบเมื่อไรร่องรอยของปรปักส่วนลึกของคู่สนทนาย่อมไม่ปรารถนาจะเป็นปรปักด้วย